วิสุทธิมัชนี้เป็นชื่อของอริยมัชยอันประกอบไปด้วยองแปดอริยมัชยอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่จะทําให้สัตว์บริสุทธิ์ถ้าใช้คําว่าวิสุทธิมัชเนี่ยขอให้รู้เถอว่าหมายถึงอริยมัชยอันประกอบไปด้วยองค์8แต่ถ้าบอกว่าคำภีวิสุทธิมัชอันนี้หมายถึงหนังสือแต่ถ้าใช้คําว่าวิสุทธิมัชเนี่ยหมายถึงอริยมัชยอันประกอบไปด้วยองค์8 ทีนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงเคราะห์ลงขันสามสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลขันเป็นกองแห่งศีลในระดับโลกิยาจะต้องเพิ่มพูนพอกพูนให้มากจริงๆศีลที่เป็นโล ก, กุตระจึงจะเกิดขึ้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นส ม, มาธิขันอ่ะ น, นะจะต้องอบรมพอกพูนสิ่งเหล่านี้ อย่างบริบูรณ์จริงๆสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นโลกุตระจึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันนะเป็นกองแห่งปัญญาคำว่าขันเนี่ยเป็นกองคือมากดังนั้นปัญญาต้องอบรมมากจริงๆจึงจะสมควรแก่โลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสัมมาทิฏฐิก็แบ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสังกัมปะก็เป็นโลกิยะและโลกุตระ สัมมาวาจาก็เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมากรรมตะก็แบ่งออกเป็นะประดับโลกิยะและโลกุตระสัมมาอาชีวะก็แบ่งระดับโลกิยะและโลกุตระสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เหมือนกันแบ่งออกในระดับโลกิยะและโลกุตระทันนโลกุตระธรรมคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนั้น อาศัยโลกิยธรรมคือโลกิยมรักเหล่านี้เป็นปกตูปานิสยปัจจัยให้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยถูกปรุงมาอย่างมากมายว่า ง, งั้นเถอะสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาที่เกิดอย่างมากมายมหาศาลกลั่นกรองมาเหลือสัมมาทิฏฐิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสังกัปปะซึ่งเกิดมากมายมหาศาลกลั่นกรองมาเหลือสัมมาสังกัปปะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่ถูกกลั่นกรองปรุงแต่งขึ้นอริยมรรคประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นคอยให้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเกิดเองเป็นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องเพิ่มพูนพอกพูนเป็นพาเวตาประธรรมเป็นธรรมที่จะต้องเจริญเป็นธรรมะที่จะต้องพอกพูนทําให้มีขึ้นทีนี้ไอการพอกพูนทําให้มีขึ้นนั้นน่ะทํำยังไงอ่ะ วิธีการเพราะคะนั้นคำีวิสุทธิมักจึงเป็นคมภีที่กล่าวถึงวิธีการเพื่อที่จะพอกพูนกุศลธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอันในคมภีวิสุทธิมักนั้นเป็นการเรียบเรียงวิสุทธิเจประการนะเรียบเรียงเอาวิสุทธิเจประการมาเรียงโดยลําดับตามวิสุทธิเจประการนับตั้งแต่สีลวิสุทธิเป็นเบื้องต้นจิตตวิสุทธินะ แล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิตังขาวิตรณวิสุทธิมคามคยาณทัศ น, นวิสุทธปิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศ น, นวิสุทธิเป็นเหมือนกับยอดของเจดีนะสัมมาศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเหมือนกับฐานของพระเจดีส่วนทิฏฐิวิสุทธิจนถึงปฏิปทายาณทนะัศนเหมือนองค์พระเจดี สัมมาญาณทัศนวิสุทธินั้นเป็นเหมือนกับยอดของพระเจดีย์ว่งั้นเพราะนนั้ความสัมพันธ์ของวิสุทธิเหล่านี้นะเหมือนองค์พระเจดีย์ก็ได้เหมือนกับรถเจ็ดพลัดก็ได้ศีลวิสุทธิเหมือนกับรถพลัดที่หนึ่งมัมภีร์นี้เป็นคมภีนิที่เรียบเรียงทําให้เห็นข้อปฏิบัติโดยลําดับศีขาโดยลําดับปฏิปทาโดยลําดับกิริยาโดยลําดับ ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในมหาราทาาสูตรเนี่ยนะหรืออุโบสถสูตรหรือว่าคณะโมคลานสูตรนะแล้วก็มีในอีกหลายแห่งที่กล่าวถึงว่าการตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นมีกิริยาโดยลำดับมีสิกขาโดยลำดับและก็มีปฏิปทาโดยลำดับ อันนะ้สิกขาก็คืออธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขานั้นก็ต้องเป็นไปโดยลําดับการตั้งในอรหัตผลเป็นไปโดยลําดับไม่ได้กระโดดเหมือนกับกบว่างั้นเถอะไม่ได้กวักขึ้นมาเลยเหมือนกบไม่ใช่อนนะมันจะต้องเป็นไปตัวโดยลําดับถ้าหากว่าศีลวิสุทธิไม่บริบูรณ์จิตตวิสุทธิบริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะ ถ้าหากว่าจิตวิสุทธิไม่บริบูรณ์ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะเพราะว่าต้องเป็นไปตามลำดับอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของศีลวิสุทธิเป็นต้นคนที่จะเข้าใจเรื่องศีลดีเข้าใจศีลดีนั้นจะต้องมาสามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นศีลใช่ไหมอะไรเป็นศีล ชื่อว่าศีลเพราะอัตตะว่าอะไรศีลมีอะไรเป็นลักษณะรัศจุปร ะ, ปร ะ, านะประธานะปทฐานะอะไรเป็นอนิสงค์ของศีลนไนะซึ่งเรากําลังพูดในหัวข้อว่าอะไรเป็นอนิสงค์ของศีลทีนี้ทบทวนปัญหาที่หนึ่งก่อนว่าอะไรชื่อว่าศีล น, นะนะวัฏคําคนี้ศีคํานี้ต้องม่นแนะ่นะอะไรชื่อว่าศีล เจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลการไม่ล่วงละเมิดหรือที่เรียกว่าอวีติกมะเป็นศีลอ้าถามว่าในเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีลศีลทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรศีลเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรสีละณะเป็นลักษณะของศีลเหล่านี้เชื่อว่าศีละณะเป็นอย่างไรศีละณะคือนะ ตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายวาจาไม่ให้กระจัดกระจายสองรองรับกุศลธรรมชั้นสูงหรือเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมชั้นสูงนี่คือัลักษณะของศีลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตามมิลินธปัญหาถามว่าศีล น, นั้น่ะเป็นธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเน น, นี่คือลักษณะของศีลอัตะของศีลกับลักษณะของศีล น, นี่อันเดียวกันคือศีลณะนะเหมือนกัน ไม่ต่างกันก็บอกว่าศีถึงจะมีมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ช่างก็มีลักษณะคือศีละนะเท่านั้นเหมือนกับรูปารมณ์ในโลกนี้จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงจะมีสีวิจิตพิสดารขนาดไหนก็เป็นอารมณปัจจัยของจักขรวิญญาณเขาเรียกว่าสันิทัศนะใช่ไหมสันิทัศนะคือเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยจักขรวิญญาณเหมงอนกันเถอะ สีก็มีอยู่เท่านั้นแหละเั้นลักษณะของศีนก็เป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นกิจของสีลคือกําจัดความทุศีนสีลถึงพร้อมด้วยความยังไงมีคุณอันไม่มีใครติเตียนได้คือไม่มีโทษนี่ยแหะความถึงพร้อมแห่งสีนเนี่ยนะสำปัติของศีก็คือไม่มีโทษว่า ง, งั้นเถอะคือบัณฑิตทั้งหลายไม่ติเตียน ศีนั้นมีอาการปรากฏอย่างไรกายโสเจยะวจีโสเจยะมโนโสเจยะมีความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเป็นอาการปรากฏหรือเป็นผลเพราะฉะนั้นผลแห่งความมีศีลเป็นคนที่สะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจมีเฮรโอตปะเป็นเหตุใกล้แล้วอะไรเป็นเหตุไกลอ่ะเอารู้ใกล้แล้วก็ต้องรู้ไกลด้วยใช่ไหม มีการฟังพระสัจธรรมเป็นต้นเป็นเหตุไกลนะการฟังการทรงจําเป็นต้นนั่นแหละแล้วฮีริโอตาปะเกิดขึ้นกุศลศีลก็จะเกิดขึ้นนะก็ท่านยกตัวอย่างเหมือนกับว่ามหาภูตรูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็บอกมหาภูตรูปสามเป็นเหตุใกล้อะแล้วเหตุไกลของมหาภูตรูปไะนะ กรรมเป็นเหตุไกลต้องมหาพูทธรูปในกายนี่นะอย่าไปเอาที่ต้นไม้ใบหญ้านะครับถ้ามหาพูทธรูปในกายของเราเนี่ยมีกรรมเป็นเหตุไกลมีมหาพูทธรูปสามเป็นเหตุใกล้ๆอยู่แถวนั้นนหะถ้าผ้ามีอะไรเป็นเหตุไกลผ้ามีช่างหูกมีโรงงานทอผ้าเป็นเหตุไกลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็บอกว่าเส้นได้ในตัวผ้านี่แหละเป็นเหตุใกล้แห่งผ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้น ศีลก็ลักษณะเดียวกันมีการฟังธรรมเป็นต้นนะศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดีเป็นเหตุใกล้คือเรียนมาแล้วไม่ใช่ว่าคนบางคนจะมีศีลใช่ไห ม, มก็เรียนเรื่องศีลมาแต่ไม่ใช่จะมีศีลกันทุกคนอะ่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีฮิริโอตตปปะฮิริโอตตปปะจึงเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเนี่ยนะบางคนก็เรียนเรื่องศีลมาเป็นอย่างดีแต่ทําไมเขาไม่รักษาศีลเลยเพราะเขาไม่มีหิริโอตตะ อันฮิริโอตา ป, ปะจึงเป็นเหตุใกล้แห่งศีลอ้าวจะบอกว่าโอ้ศีลเ น, นี่ยนะกล่าวมาลักษณะนี้แล้วอะไรเป็นอ น, นิสงค์ของศีล น, นี่ยะที่พูดมาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันดียังไงนะถ้าหากว่าไม่เห็นอ น, นิสงค์รักษาไม่ได้บางงั้นแต่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียบเรียงเรื่องอ น, นิสงค์ของศีลก่อนกังกันเลยตั้งคําถามหรือปัญหากรรมว่าศีลเ น, นี่ยมีอ น, นิสงค์อย่างไร อ น, นิสงค์ของศีลเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่ า, วากุศลศีลมีอวิปปิสารเป็นต้นเป็นอ น, นิสงฆ์ น, นะถ้าหากว่ากล่าวตามกิมัติยสูตรเนี่ยนะอานันทสูตรอุปนิสสสูตรเจตนาสูตรเป็นต้นเนี่ยที่กล่าวถึงเรื่องของ อ, อ น, นิสงค์ของศีลว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสาร มีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอ น, นิสงส์เป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวละเอียดอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อว่าด้วยโลกิยาศีลและโลกุโลกุตระศีลคือในศีลเนี่ยมาแบ่งออกเป็นเอกะก็ได้ทูกกะก็ได้ติกะจตุกะปัญจกะก็ได้ทีนี้ในทูกะเนี่ยนะคือหมวดสองศีลเป็นวิรัตศีลเป็นวิรัตนะอะไรนะวิรัตก็ต้องคู่กับ จารีตใช่ไหมก็แบ่งเป็นอาทิพรมจาริกศีลกับอภิสมาจาริกศีล น, นะนะมีอยู่เจ็ดเจ็ดทุกะมีอยู่ทุกะหนึ่งเาเรียกว่าโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลอโลกิยะศีลเนี่ยเป็นอุปนิสัยแก่โลกุตระศีล น, นะแบ่งออกเป็นโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลซึ่งอ น, นิสงส์ของศีลเหล่านั้นจะได้กล่าวอีกครั้งว่า กุศลศีนย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสานอาวิปปิสานย่อมนำมาซึ่งปราโมทเป็นต้นไปอันนี้ในยะที่หนึ่งที่กล่าวถึงอ น, นิสงค์ของศีลเพราะนนั้คนที่รู้จักอ น, นิสงค์ของศีลจริงๆจึงจะรักษาศีลได้ถ้าหากว่าพระภิกษุก็เหมือนกันยกตัวอย่างถ้าพระภิกษุเนี่ยทําไมท่านจึงรักษาศีลถ้าถ้าเราตั้งคําถามอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมเพราะธรรมดาศีนเนี่ยเป็นของหยาบโอย ดูหนังงดูหนังก็ไม่ได้เที่ยวก็ไม่ได้อาหารตอนเย็นมันอะไรอะไรก็ไม่ให้ทานอย่างเงี้ยถามว่าจะต้องรักษาทำไมดียังไงแล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติศีลอันนี้ไม่ใช่เป็นการกีดกันความสุขของพระพิสุปหรอกหรือใช่ัหมเราน่าจะคิดปัญหาอันนี้บ้างเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงเจตนาลมของพระวินยัยหรือเข้าใจถึงเจตนาลมของการรักษากุศลศีล ใช่ไหมบุตรเจ้าจงเกลียดจงชังพระภิกษุเรื่องง่ายแหมน่าจะให้พระภิกษุหาความสุขเหล่านี้ได้บ้างบางเรื่องมันเหมือนกับว่าผิดธรรมชาติของมนุษย์เออมีโยมคนหนึ่งเข้าไปตั้งปัญหาถามคําถา ม, ถามบางคําถามเออเรื่องนี้มันผิดธรรมชาติของมนุษย์นะเขาว่ากันเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคือคือไม่น่าจะไม่น่าจะต้องเป็นเอากันขนาดเนี้ย อ, อ่ายกตัวอย่างเสกขาบทต้นต้นของาราชิกเนี่ยขอหนึ่งเลยฟังกันเถอะ มันกีดกันคล้ายๆกับว่ามันเป็นของธรรมชาติอ่ะทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาห้ามในเรื่องนี้ด้วยนะเออมีคนถามแบบนี้เหมือนกันมันพระองค์เราก็ต้องเข้าใจอำนาจประโยชน์ของการบัญญัติพระวินัยหรืออำนาจประโยชน์ของการบัญญัติศีลของพระองค์ใช่ไมว่าวินัยทั้งหมดเลยเนี่ยที่พระองค์ทรงบัญญัติอาศัยอานาจประโยชน์สิประการ เฉพาะพระองค์ที่พระองค์ต้องบัญญัติเนี่ยนะแต่ที่เรารักษาอันนี้เพื่อประโยชน์ของเราอีกต่างหากนะพระองค์บัญญัติเนี่ยพราะอำนาจประโยชน์สิประการเรารักษาเราจะได้อ น, นิสงส์อีกต่างหากนะแต่ก็อา น, นิสงส์เหล่านั้นก็นับอยู่ในอำนาจประโยชน์ที่พระองค์ทรงบัญญัติ ด, ด้วยเช่นเรารักษาวินัยอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่อวิปปิสานเป็นต้นอันนี้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเลยเนี เป็นประโยชน์เพื่ออาวิปปติสารแล้วก็อ น, นิสงฆ์อย่างอื่นๆซึ่งจะกล่าวต่อไปอีกส่วนพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญินั้นพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์10ประการคือหนึ่งเพื่อรับว่าดีแห่งสง์เพื่อความสําราญแห่งสงมันเมื่อสงรับว่าดีสงสมัยพุทธกาลนะสงที่ที่ดีๆนะสงชั้นหนึ่งอ่ะไม่ใช่เอาคนอิเละเคขะที่ไหนไม่รู้ไปรับว่าเออใช้ได้ใช้ได้ไม่เอานะเอาสง์ที่เป็นอริยะสง์เป็นต้น เอาสง์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิสงเหล่านั้นท่านรับว่าดีสาธุพระเจ้าข่าวว่าไงเถอะบัญญัติแล้วครับผ่านสภาสงมาแล้วเนี่เพื่อรับรับว่าดีแห่งสงสองเพื่อสําราญแห่งสงเพราะฉะนั้นสงเนี่ยเมื่อมีพระวินัยเหล่านี้ท่านจะอยู่อย่างพราสุกแล้วก็เพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักนะะ ภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเมื่อพระองค์บัญญัติวินัยอย่างนี้ก็ไม่มีใครไปรบกวนท่านท่านก็จะได้อยู่อย่างพราสุขแล้วก็เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากนะขมบุคคลผู้หน้าหน้าด้านเป็นต้นทําให้พระองค์บัญญัติพระวินยัยนะเขาบอกว่าวิธีจําก็คือเอาสง์สง์นี่มีสองข้อคือรับว่าดีแห่งสงสําราญแห่งสง์เสร็จแล้วก็บุคคลบุคคลก็มีอีกสองข้อคือ เพื่อสํารานแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักและเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากแล้วต่อไปก็กล่าวถึงศรัทธาเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสอันนะ่ะเพื่อความเลื่อมใสยอย่างยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วนะเพื่อรักษาศรัทธาแก่ผู้ที่เลื่อมใสยอยู่แล้วนะเมื่อมีพระวินยัยทําให้ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเนี่ยมาศึกษาพระวินยัยโอ้พระคุณเจ้าท่านปฏิบัติขนาดนี้กันเลยหรือ ทำให้มีศรัทธาขึ้นนะคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วโอ้พระคุณเจ้าท่านอยู่ในในศีลในธรรมในวินยัยมันทําให้ศรัทธาของเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อ 5: ้ข้อหกก็คือนะเพื่ อ, อยังความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดขึ้นเพื่อความเลื่อมใสยอย่างยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสยอยู่แล้วและต่อไปอีกอันนี้กล่าวกับเรื่องอาสวะเรื่องกิเลส เพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องเสียหายทั้งหลายแหลที่เกิดกับพระภิกษุส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องที่มาจากการรักษาศีลส่วนใหญ่เรื่องที่เสียหายที่เกิดกับพระภิกษุเป็นเรื่องที่เกิดจากการไม่รักษาศีลถ้าหากว่าพระภิกษุรักษาศีลตามพระวินัยบัญญัติเหล่านั้นจะกำจัดอาสวะเรื่องเสียหายทั้งหมดได้ จะ ก, กําจัดอาสวะคือเรื่องเสียหายได้เพราะฉะนั้นอํนนานาจประโยชน์คือเป้องกาจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพรา ะ, ะนั้นคําว่าอาสวะตรงนี้แปลว่าเรื่องเสียหายการเสียหายเสียชื่อเสียงการถูกประทุษร้ายถูกทุบถู ก, ถ ก, ถกตีเป็นต้นเมื่อท่านอยู่กับร่องก ร, รอยอยู่กับทำกับวินัยความเสียหายเหล่านี้จะไม่เกิดแล้วอาสวะในปัจจุบันแล้วก็เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต คำว่าอาสวะที่จะบังเกิดในอนาคตหมายความว่าอบายอาสวะตัวนั้นเป็นชื่อของอบายเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่กับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ไปอบายแน่นอนนะอย่างเดี๋ยวเราเรียนไปข้างหน้าจะมีคําว่าปาติโมกปาติโมกก็คือโมกฆะแปลว่าพน้นว่าพ้นอะไรพ้นอบายว่า ง, งั้นเถอะถ้ารักษาวินยัยรักษาตามพระวินยัยแล้วก็ไม่ไปอบาย ไม่ทไม่เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกอันนี้คเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องกิเลสแล้วก็ทากับวินยัย น, นข้อที่9ก็คือสัจธรรมทิติยาเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัจธรรม น, นพระประยิยติสัจธรรมก็จกดำรงอยู่ได้เมื่อท่านรักษาพระวินยัย น, นแล้วก็พระปฏิบัติสัจธรรมก็จะดำรงอยู่ได้เมื่อปริยัดกับปฏิบัต เหมาะสมปฏิเวทิตทธรรมก็จะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบัญญัติวินัยเพราะความตั้งมั่นแห่งพระศัทธธรรมสามเหล่านี้แล้วก็ข้อสุดท้ายเพื่อถือตามพระวินยัย